พวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละเป็นวาจาเครื่อนพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราคุ้มพย์จากพระโอษฐ์หมวดที่11อว่าด้วยการมีสังวร 1>, 1. ผู้มีหลักเสาเขือน 2. ไม่ตกอบายดีกว่า 3. ช้างนาบุญ 4. ผู้พิชิตสงครามถึงที่สุดแล้ว 5. ผู้พิชิตสงครามถึงที่สุดแล้วอีกในหนึ่ง 6. ผู้อยู่ในร่องรอย 7. ผู้สมควรอยู่ป่า 8. ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรี 9. ผู้ทำตามคำสั่งแท้จริง 10. กระดองของบรัรพชิต11เอาตัวรอดได้เพราะสังวรด้วยความรู้12ผู้สำรวมมาจากภายใน13ผู้ได้รับผลแห่งอินสียสังวร ทราบจากพระโอษฐ์หมวดที่สิอว่าด้วยการมีสังวรปฏิปักษ์ขณัยของหมวดสองอันว่าด้วยการไม่สังวรผู้มีหลักเสาเขื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสโผลทภพะด้วยกาย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 มาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงเคยเขาจับงูมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งจับจระเข้จับนกจับสุนัขบ้านจับสุนัขจิ้งจอกและจับปลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งหนึ่งครั้นแล้วนําไปผูกไว้กับเสาเขื่อนหรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นสัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้นมีที่อาศัยและที่เที่ยวต่างๆกันก็เย้แย่งจุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูจะเข้าจอมปลวกเจะระเข้จะลงน้ำนกจะบิงขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าและลิงก็จะไปป่าภิกษุทั้งหลายในการใดแลความเป็นไปภายในของสัตว์ทั้งหชนิดเหล่านั้นมีแต่ความเมื่อยล้าแล้วในการนั้นมันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจานั่งเจานอนเจา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 จมูกก็ไม่ฉุดเอาพิกษุนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดมกลิ่นที่ไม่น่าสูดดมก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงลิ้นก็จะไม่ฉุดเอาพิสูจนั้นไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงปายก็จะไม่ฉุดเอาพิสูจนั้นไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจสัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะแขยงและใจ ก็จะไม่ฉุดเอาภิกษุนั้นไปหาธรรมารมณ์ที่ถูกใจธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะกขยง้งข้อนี้ก็ฉะ น, นั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสังวรเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายคำว่าเสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้เป็นคำเรียกแทนชื่อแห่งกายคตาสติภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้ว่ากายคตาสติของเราทั้งหลายจากเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทําให้มากกระทําให้เป็นยางเครื่องนาไปกระทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียงตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียนเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียงปรารบสม่าเสมอด้วยดีดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเหนียกใจไว้อย่างนี้แหล ไม่ตกอบายดีกว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือดวงตาถูกแทงด้วยซีเหล็ก อ, อันร้อนจัดเป็นเปลเวลุกโชนเสียอย่างดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบเือหรือโดยการแยกเธอเป็นส่วนๆในรูปแอนเห็นด้วยตานั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายวิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบเธอทั้งหมดก็ตาม วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกเถอเป็นส่วนๆก็ตามกำลังตั้งอยู่ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซตคติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรชานข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือหู ถูกกระแช่ด้วยขอเหล็กอันร้อนจัดเป็นเปลวลูกโชนเสียอย่างดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกเือเป็นส่วนๆในเสียงอันฟังด้วยหูนั้นไม่ดีเลยละถึงภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีคือจมูกถูกคว้านภายในด้วยมีดที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลูกโชนเสียอย่างดีกว่า การถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆในกลิ่นอันดมด้วยจมูกนั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือลินถูกตัดเสียด้วยมีโกนที่ขมกล้าอันร้อนจัดเป็นเปลวลูกโชนเสียอย่างดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือ หรือโดยการแยกเถอเป็นส่วนๆในรถอันลิ้มด้วยลิ้นนั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือกายถูกแทงด้วยหอกที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนเสียอย่างดีกว่าการเถอเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบเถอหรือโดยการแยกเถอเป็นส่วนๆในโภภพธพภะอันสัมผัสด้วยกายนั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดก็ตามวิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกเธอเป็นส่วนๆก็ตามกําลังตั้งอยู่ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซต์คติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่างคือนรกหรือกําเนิดเดรชาณข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองภิกษุทั้งหลายการนอนหลับยังดีกว่าแม้เราจะกล่าวว่าการนอนหลับเป็นโทษไร้ผลเป็นความหลงไหลสาหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จริงแลแต่เพราะการเตื่นที่เต็มไปด้วยวิตกอันเลวซามอาจทาลายภาวะแห่งสงสัยได้นั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวดังนี้เพราะเห็นโทษอันตาซาม สำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้ช้างนาบุญภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่ประกอบด้วยองค์ห้าย่อมเป็นช้างคู่ควรแก่พระราชาเป็นโภคะประจำองค์พระราชา นับว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชาองค์ห้าอะไรบ้างเล่าองค์ห้าคือช้างหลวงในกรณีนี้เป็นช้างที่อดทนต่อรูปทั้งหลายหนึ่งอดทนต่อเสียงทั้งหลายหนึ่งอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายหนึ่งอดทนต่อรสทั้งหลายหนึ่งอดทนต่อผดพะทั้งหลายหนึ่งภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไร понять, เล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้เห็นหมู่พนช้างก็ดีหมู่พลม้าก็ดีหมู่พลรถก็ดีหมูพลราบก็ดีของฝ่ายข้าศึกแล้วก็ไม่ระยอห่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรูปทั้งหลายภิกษุทั้งหลายช้างหลวงที่อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ ช้างหลวงเมื่อออกศึกได้ยินเสียงหมูพลช้างก็ดีหมู่พลม้าก็ดีหมู่พลรถ ก, ก็ดีหมูพนราบก็ดีได้ยินเสียงกลกกล้องแห่งกลองบรรเดาะสังและมะโหระทึกก็ดีแล้วก็เมรยอ่อห่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้พิสษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อเสียงทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ช้างหลวงที่อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกเึกได้กลิ่นมูดและกรีดปัสสาวะและอุจจาระของช้างทั้งหลายชนิดที่เป็นชั้นจา่าเจนสงครามเข้าแล้วก็ไม่ระย่อหอ่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ช้างหลวงที่อดทนต่อรถทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกเมื่อไม่ได้รับการทอดย่าและนะ้ำมือหนึ่งหรือสองมือ้อสามมือสี่มือ้อหรือห้ามื้อก็ไม่ระย่อห่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรถทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ช้างหลวงที่อดทนต่อผดทะพะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้ช้างหลวงเมื่อออกศึกถูกซอนที่เขายิงมาอย่างแรงเข้าหนึ่งลูกหรือสองลูกสามลูกสี่ลูกหรือห้าลูกก็ไม่ระย่อห่อหดย่อมยืนหยัดย่อมอาจที่จะเข้าสู่การรบได้ภิกษุทั้งหลายช้างหลวงอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อผดทะพะทั้งหลายภิกษุทั้งหลาย ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันภิษุเมื่อประกอบด้วยเหตุห้าอย่างแล้วย่อมเป็นผู้ที่น่าบูชาด้วยของที่จัดไว้บูชาน่าต้อนรับด้วยของที่จัดไว้ต้อนรับน่ารับทักษินาทานที่อุทิศเพื่อผู้ตายน่าไหว้และเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกเหตุห้าอย่างอะไรบ้างเล่าห้าอย่างคือเป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลายอดทนต่อเสียงทั้งหลายอดทนต่อกลิ่นทั้งหลาย อดทนต่อรถทั้งหลายอดทนต่อผลเถรภาทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรูปทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิในนี้ได้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่กำหนัดย่อมใจในรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิษุทั้งหลายภิษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรูปทั้งหลาย ภิกษ like totally ุท no ั er. ้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อเสียงทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วไม่กำนัดย่อมใจในเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อเสียงทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อกลิ่นทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วไม่กำนัดย่อมใจในกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย่อมสามารถที่จะด âm รงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อกลิ่นทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อรสทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ ได้ลิมรสด้วยลิ้นแล้วไม่กำนัดย้อมใจในรสอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดย่อมสามารถที่จะด âm รงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อรสทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้อดทนต่อโภทพภะทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ได้สัมผัสโภทพภะด้วยกายแล้วไม่กำนัดย่อมใจในโภทพภะ อันเป็นที่ตั้งเห็นความกำนัดย่อมสามารถที่จะดำรงจิตให้เป็นปกติอยู่ได้ภิสษุทั้งหลายภิสษุอย่างนี้ชื่อว่าอดทนต่อโพธพภะทั้งหลายภิสษุทั้งหลายภิสษุเมื่อประกอบด้วยเหตุห้าอย่างเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ที่หน้าบูชาเรื่องของที่จัดไว้บูชาหน้าต้อนรับเรื่องของที่จัดไว้ต้อนรับน่ารับทักษิณาทานที่อุทิศเพื่อผู้ตายหน้าไหว้ และเป็นเนื้อนาบุญชั้นดีเยี่ยมของโลกแลผู้พิชิตสงครามถึงที่สุดแล้วภิกษุทั้งหลายนักครบอาชีพบางประเภททนต่อผงคลีได้ทนต่อยอดธงชจยของค้าศึกได้ ทนต่อเสียงโห่ร้องได้ทนต่อการสํปราปทานกันได้เขาสู้เข้าประจ้ลการสงครามนั้นเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้นักโรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักโรบอาชีพประเภทที่หมีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักโรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกัน ในกรณีนี้คือภิกษุทนต่อผงขลีได้ทนต่อยอดธงชัยของข้าศึกได้ทนต่อเสียงโห่ร้องได้ทนต่อการสัมประหารกันได้เธอสู้เข้าประจวบการสงครามนั้นเป็นผู้พิชิตสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้ข้อว่าสงครามวิชัยสำหรับภิกษุนั้นได้แก่อะไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้คือ ภิกษุอยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างมีมาทุคามเข้าไปนั่งเบียดนอนเบียดนั่งทับนอนทับเมื่อเธอถูกกระทำเช่นนั้นก็สลัดทิ้งปลดเปลื้องเอาตัวรอดหลีกไปได้ตามประสงค์ภิกษุนั้นย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดเงียบเขือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องท้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่ง เธอไปสู่ป่าหรือไปสู่โคนไม้หรือไปสู่เรือนว่างแล้วย่อมนั่งคูขาเข้าเป็นบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาคอยชาระจิตจากอภิชาและความประทุษร้ายด้วยอำนาจพยาบาทมีจิตไม่พยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชาระจิตจากความประทุษร้ายด้วยอานาจพยาบาท และถีนมิทะมีจิตปราศจากถีนมิทะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีสติสัมปชัญญะคอยชําระจิตจากถีนมิทะและอุทจักุกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในคอยชําระจิตจากอุทจักุกกุจจะละวิจิกิจชาข้ามพ้นวิจิกิจชาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกสณธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัย คอยชำระจิตจากวิจิกิจชาภิกษุนั้นคลั้นละนิวรณห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้ามองจิตและทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสง่าจากการามทั้งหลายบรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่แล้วแลอยู่เธอคลั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปรสาศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ ถึงความไม่หวันไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวะขยะยานเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุที่เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกและย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่าเรานี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะ เมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นทั้งจากกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดญาณว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจเอิญที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ ความที่ภิกษุนั้นสลัดมาตุคามทิ้งพาตัวรอดไปได้กระทั่งถึงการทำตนให้สิ้นอาสวะนี้ได้ในข้อว่าสงครามวิชัยสำหรับภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักโรบอาชีพที่ทนต่อพุงคลีได้ทนต่อยอดธงชัยของฆาตศึกได้ทนต่อเสียงโหร้องได้ทนต่อการสังปะหารกันได้เขาสู้เข้าประจุสงครามนั้นเป็นผู้พิชิตสงคราม แล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้ชันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบชันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทที่หมีอยู่ในหมู่พิกษุหาได้ในหมู่พิกษุแล ผู้พิชิสงครามถึงที่สุดแล้วอีกในหนึ่งภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางประเภทถือดาบและโล่ส่อใสธนูและแร้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาสู้เข้าประจนการสงครามนั้นเป็นผู้มีชัยชนะในสงครามแล้วเขายึด ค, ครองสนามรบไว้ได้นักรบอาชีพบางประเภทในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทที่ห้ามีอยู่ในโลกหาได้ในโลก ภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุก็ไปอาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเช้าเธอครองจีวรถือบาตรเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบิณฑบาตด้วยการรักษากายรักษาวาจารักษาจิตตั้งสติไว้มั่นและด้วยการสำรวมอินทรีย์ทั้งหลาย เธอได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโพธะะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมด้วยใจแล้วก็ไม่รวบเถอเอาทั้งหมดและไม่แยกเถอเอาเป็นส่วนๆสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สัรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ เธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจภิกษุนั้นภายหลังอาหารกลับจากปินทบาตแล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดเงียบคือป่าโคนไม้ภูเขาลำธารท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งเธออยู่ป่าหรืออยู่โคนไม้ หรืออยู่เรือนว่างย่อมนั่งคูขาเข้าเป็นบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเท่าละอภิชาในโลกละถึงภิกษุนั้นครั้นละนิวรณห้าประการอันเป็นเครื่องเศร้ามองจิตและทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้ได้แล้วเพราะสังัดจากกามทั้งหลายละถึงบรรลุฌานที่หนึ่งที่สองที่สามและที่สี่แล้วแลอยู่ เธอครั้งจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่ได้ถึงความไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วก็น้อมจิตไปเฉพาะต่ออาสวยายาัคยญาณเธอย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุที่เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ข้อปฏิบัติใหถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกและย่อมรู้ชัดตามที่เป็นจริงว่า เ่านี้อาสวะนี้เหตุให้เกิดอาสวะนี้ความดับไม่เหลือแห่งอาสวะนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งอาสวะเมื่อรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็หลุดพ้นทั้งจากกามาสวะภาวาสวะและอวิชชาสวะครั้นจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานว่าหลุดพ้นแล้วเธอย่อมรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วพรหมจันร์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทาได้ทาสาเร็จแล้ว กิจเอื่นที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นถือดาบและโล่ส่อใสธนูและแร่งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วเขาสู้เข้าประจวนการสงครามนั้นเป็นผู้มีชัยชนะในสงครามแล้วเข้ายึดครองสนามรบไว้ได้ชั้นใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักโบูนี้ว่า มนักรบอาชีพชนิดนั้นเป็นคู่เปรียบฉันนั้นภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชเปรียบด้วยนักครบอาชีพประเภทที่หมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุแล รร่องรองยภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทําตนเป็นพระประจําสกุลเมื่อประกอบด้วยการกระทำห้าอย่างแล้วย่อมทําให้สกุลทั้งหลายให้ความรักให้ความพอใจให้ความเคารพและตั้งไว้ในภาวะที่ควร5อย่างอะไรบ้างเล่า5อย่างคือ 1. ไม่แสดงอาการเป็นกันเองกับคนที่ยังไม่ถึงขนาดเป็นกันเอง 2. ไม่แทรกแซงในสิ่งที่ไม่ได้รับอํานาจมอบหมาย สไม่คบคนฝ่ายปฏิปักษ์สไม่พูดกระซิบที่หูหไม่ขอมากเกินไปภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ทำตนเป็นพระประจำสกุลเมื่อประกอบเรวยการกระทำห้าอย่างเหล่านี้ย่อมทำให้สกุลทั้งหลายให้ความรักให้ความพอใจให้ความเคารพและตั้งไว้ในภาวะที่ควรแหล สมควรอยู่ป่าภิกษุทั้งหลายภิกษุที่ประกอบด้วยเหตุสี่อย่างแล้วสมควรที่จะเสพเฉพาะซึ่งเสนาสนะเงียบสงัดอันเป็นป่าและป่าชัดเหตุีอย่างอะไรบ้างเล่าสี่อย่างคือ 1. เป็นผู้มีความครุ่นคิดในทางการออกจากกาม 2. เป็นผู้มีความครุ่นคิดในทางไม่พยาบาท 3. เป็นผู้มีความครุ่นคิดในทางไม่เบียดเบียนส เป็นคนมีปัญญาไม่โง่เขลาเ ง, งอะงะพิสุทั้งหลายพิสุที่ประกอบได้เหตสีอย่างเหล่านี้แล้วสมควรที่จะเสพเฉพาะซึ่งเสนาสะนะเงียบสงัดอันเป็นป่าและป่าชัดแล ผู้ต้องติดต่อด้วยสตรีท่านพระอานนทุนถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจะปฏิบัติในมาตุคามสตรีอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนการไม่พบปะกันข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อยังมีการพบปะกันจะเพิงปฏิบัติอย่างไรเล่าอานนการไม่พูดด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อต้องพูดด้วยจะพึงปฏิบัติอย่างไรเล่าอานน์ถ้าต้องพูดด้วยพึงมีสติแลผู้ทำตามคำสั่งแท้จริงภิกษุทั้งหลายถ้าหากพวกโจรผู้ทำจรกรรม เพงเลื่อยอวียะใหญ่น้อยทั้งหลายด้วยเลื่อยมีที่สำหรับจับทั้งสองข้างไซแม้ในการที่ถูกทำเช่นนั้นภิกษุใดมีใจประทุษร้ายต่อโจรนั้นภิกษุนั้นชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของเราเพราะเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายแม้ในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเนียกไว้ว่าจิต ข, ของเราต้องไม่ผิดปกติด้วยเราจะไม่เปล่งออกซึ่งวาจาอันเป็นบาปด้วย เราจะเป็นผู้อยู่อย่างผู้ที่มีความเอ็นดูคิดจะทำประโยชน์เกื้อกูลมีจิตเมตตาหาโทสะจิตแทรกมิได้ด้วยเราจักอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปยังบุคคล น, นั้นด้วยและจักอยู่ด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูรย์ใหญ่หลวงหาประมาณมิได้ไม่มีเวรปราศจากพยาบาทแผ่ไปยังสัตว์โลกทั้งปวงโดยมีบุคคล น, นั้นเป็นอารมณ์ด้วยดังนี้ ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งใจสำเหนียกไว้อย่างนี้แหลกระดองของบัะชิตภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาก่อนเตาตัวหนึ่งเที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็น สุนักจิ้งจอกตัวหนึ่งก็เที่ยวหากินตามริมลำธารในตอนเย็นเช่นเดียวกันเต่าตัวนั้นได้เห็นสุนักจิ้งจอกซึ่งเที่ยวหากินเดินเข้ามาแต่ไกลครั้นแล้วจึงหดอวัยวะทั้งหลายมีศรีรษะเป็นที่ห้าเข้าในกระดองของตนเสียเป็นผู้ขนขวายน้อยนิ่งอยู่แม้สุนัขจิ้งจอกก็ได้เห็นเต่าตัวที่เที่ยวหากินนั้นแต่ไกลเหมือนกันครั้นแล้วจึงเดินตรงเข้าไปที่เต่าคอยเช่ยวอยู่ว่า เมื่อไรหนอเต่จาจกโผล่อายวะส่วนใดส่วนหนึ่งออกในบรรดาอายวะทั้งหลายมีศรีรษะเป็นที่ห้าแล้วจะ ก, กัดอายวะส่วนนั้นคร่าเอาออกมากินเสียดังนี้ภิกษุทั้งหลายตลอดเวลาที่เต่าไม่โผล่อายวะออกมาสุนัขจิงจอก็ไม่ได้โอกาสต้องหลีกไปเองภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นมารผู้ใจบาป ก็คอยช่องต่อพวกเธอทั้งหลายติดต่อไม่ขาดระยะอยู่เหมือนกันว่าถ้าอย่างไรเราคงได้ช่องไม่ทางตาก็ทางหูหรือทางจมูกหรือทางลิ้นหรือทางกายหรือทางใจดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่เถิดได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ได้สัมผัสโผฏฐะด้วยกายหรือด้วยรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วจงอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดอย่าได้ถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆเลยสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชาและโทมานต์จะพึงไหลไปตามบุคคลผู้มิสัมรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะการไม่สัมรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุ พวกเธอทั้งหลายจงปฏิบัติเพื่อการปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้พวกเธอทั้งหลายจงรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมกูกลิ้นกายใจเถิดภิกษุทั้งหลายในการใดพวกเธอทั้งหลายจักเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในการนั้นมารผู้ใจบาปจักไม่ได้ช่องแม้จากพวกเธอทั้งหลายและจักต้องหลีกไปเองเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่ได้ช่องจากเต่า ก็หลีกไปเองฉะนั้นเต่าโคดอวัยวะไว้ในกระดองฉันใดภิกษุพึงตั้งมโนวิตกความตรีตรึกทางใจไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉันนั้นเป็นผู้ที่ตันหาและทิฐิไม่อิงอาศัยได้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายต่อใครทั้งหมดเป็นผู้ดับสนิทแล้วดังนี้แหล รอดได้เพราะสังวนด้วยความรู้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของตาตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของรูปตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของความรู้แจ้งทางตาตามที่เป็นจริงรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของสัมผัสทางตาตามที่เป็นจริงและรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเรื่องราวของเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตา ที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างตามที่เป็นจริงเขาย่อมไม่หลงรักในตาไม่หลงรักในรูปไม่หลงรักในความรู้แจ้งทางตาไม่หลงรักในสัมผัสทางตาและไม่หลงรักในเวทนาอันเกิดจากสัมผัสทางตาทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และไม่ทุกไม่สุขเมื่อไม่หลงรักไม่ผูกใจไม่หลงไหลไปตามแต่มีปกติพิจารณาเห็นโทษของสิ่งนั้นๆอยู่ดังนี้แล้ว ความยึดถือในขันทั้งห้าของเขาก็หยุดฟักตัวในการต่อไปตันหาคือความทยานอยากอันรบกนด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดรักซึ่งมีปกติเพลินเฉพาะต่ออารมณนน์นั้นๆของบุคคล น, นั้นก็เสื่อมถอยคลายคืนต่อ น, นั้นไปความโกรธกระวายทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความโกรนกระวายทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนรุ่มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืน ความร้อนรุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกลุ่มทางกายก็เสื่อมถอยคลายคืนความร้อนกลุ่มทางจิตก็เสื่อมถอยคลายคืนเขาได้เสวยสุขทั้งทางกายและทางใจทิฏฐิความเห็นของเขาผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาทิฏฐิความเข้าใจที่ถูกต้องความคิดของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสังกัปปะความมุ่งหมายที่ถูกต้อง ความเพียรของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาวายามะความพยายามที่ถูกต้องความระลึกของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสติความระลึกที่ถูกต้องสมาธิของผู้เป็นแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นสัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นไว้ในแนวที่ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมและอาชีวะของเขาก็บริสุทธิ์ดีแล้วมาตั้งแต่แรก อริยะอาาัฏฐานขีฆมักของเขาย่อมถึงความเจริญเต็มที่ด้วยอาการอย่างนี้เมื่อเขาทําอริยะอาาัฏฐานขีฆมักให้เจริญอยู่อย่างนี้สติประฐานสสัมมาประธานสอิทธิบาสีอินรี่ห้าภละหโพชฌงเจตย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์ได้แท้ทำสองอย่างของเขาคือสมถะและวิปัสสนาชื่อว่าเข้าคู่กันได้อย่างแน่นแฟน้น ในกรณีของหูจมูกลิ้นกายใจก็มีข้อความอย่างเดียวกันผู้สำรวจมาจากภายในเป ร, it ร, รียบด้วยมอเต็มปิดไว้ภิกษุทั้งหลาย นักบวชเต็มปิดไว้เป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคาติถือบาดครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุที้เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุก นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนี้ด้วยพิกษุทั้งหลายนักบวชเต็มที่ถูกปิดไว้เป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนหม้อเต็มที่เขาปิดไว้ฉะนั้นแหลเปรียบด้วยน้ำลึกเงาลึกพิกษุทั้งหลายนักบวชลึกมีเงาลึกเป็นอย่างไรเล่าพิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดู การคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้าการทรงสังคาติถือบาทครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุเี่เกิดทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขนี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลาย นักบวชลึกมีเงาลึกเป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่าเปรียบเหมือนห่วงน้ำลึกมีเงาลึกฉะนั้นแหลเปรียบด้วยมะม่วงสุกสีผิวก็สุกภิกษุทั้งหลายนักบวชสุกมีผิวสุกเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายการเดินการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู่แขนคู่ขาการเหยียดมือเหยียดเท้า การทรงสังฆาติถือบาทครองจีวรของนักบวชบางคนในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นที่น่าเลื่อมใสทั้งนักบวชผู้นั้นก็รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดทุกขนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขดังนี้ด้วยภิกษุทั้งหลายนักบวชสุขมีผิวสุขเป็นอย่างนี้เรากล่าวนักบวชนี้ว่า เปรียบเหมือนมะม่วงสุกสีผิวของมันก็ดูสุกฉะนั้นแหลผู้ได้รับผลแห่งอินเซสังวรภิกษุทั้งหลายเมื่ออินเซสังวรนมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัย เมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตยานัทสนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตญานัทสนะมีอยู่นิพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อนิพิทาวิราคะมีอยู่วิมุติยานัทสนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยภิกษุททั้งหลายเปรียบเหมือนต้นไม้เมื่อสมบูรณ์ด้วยกิ่งและใบแล้ว สเก็ตเปลือกนอกก็บร uh, uh ิบ huh. ูร <Glen> ณ์เปลือกชั้นในก็บริบูรณ์กระพีก็บริบูรณ์แก่นก็บริบูรณ์ข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายเมื่ออินสียสังวรมีอยู่ศีลก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อศีลมีอยู่สัมมาสมาธิก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อสัมมาสมาธิมีอยู่ยถาภูตยานทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อยถาภูตยานทัศนมีอยู่ นิพพิทาวิราคะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเมื่อ น, นิพพิทาวิราคะมีอยู่วิมุติยาณทัศนะก็ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยฉันนั้นเหมือนกันแลมัหมวดที่ส1บอดจบ